วันอาทิตย์ที่20ตุลาคมพศ2539เป็นการบรรยายพระสูตรในสังยุตตนิกายเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยอาจารย์สุเทพโพ ธ, ธิสัต t าท่านสาธุชนที่เคารพครับพระสูตรวันนี้จะอธิบายสองสูตรสูตรแรกมีชื่อว่านามรูปสูตรสูตรที่สองมีชื่อวิวญญาณสูตร เราก็จะเห็นว่าสองสูตรนี้เป็นการกล่าวถึงปฏิจจสมุปบาทในอีกลักษณะหนึ่งซึ่งปกตินั้นปฏิจจจะต้องเริ่มด้วยอวิชาเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปนามรูปจึงเป็นปัจจัยแก่สลายยตนะแต่ว่าสองสูตรนี้ได้มีจุดเริ่มต้นของปฏิจจเหมือนกันตรงที่สูตรแรกนามรูปสูตรนั้นเริ่มด้วย เรื่องของพิที่ว่าความเห็นพอใจหนึ่งในธรรมทั้งหลายเป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์แล้วก็นามรูปก็อย่างลงเพราะสังโยชน์นั้นสำหรับสูตรสองก็เช่นเดียวกันว่าเมื่อพิสุเห็นความพอใจหนึ่งในธรรมทั้งหลายอันเป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์อยู่วิญญาณก็อย่างลงเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปก็เลยมีข้อที่ เราอาจจะเครือบแปลงสงสัยว่านามรูปเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรแน่จากวิญญาณหรือจากความพอใจเนืองๆในธรรมอันเป็นที่ตั้งของสังโยชน์สังโยชน์อย่าลืมว่าเป็นชื่อของกิเลส ท, ที่แปลว่าเครื่องร้อยลัดธสังโยชน์ก็เป็นชื่อกอิเลสสิบอย่างนะครับในสิบอย่างนั้นเราก็จะจำไม่แจกแจงในที่นี้แต่จะกล่าวย้าอีกนิดนึงว่า ความพอใจเนืองๆซึ่งหมายถึงตัวสมุทัยที่เข้ามาพอใจในอารมณ์ตัวสมุทัยที่เข้ามาพอใจในอารมณ์ซึ่งหมายถึงอารมณ์เป็นที่ตั้งของกิเลสเนี่ยอารมณ์ซึ่งเป็นที่ตั้งของกิเลสอันใดมีอยู่ความพอใจที่เข้ามาพอใจในอารมณ์อันนั้นจึงเป็น การสั่งสมกิเลสด้วยเนื่องจากว่าอารมณ์นั้นเป็นที่พอกิเลสเป็นที่อาศัยของกิเลสเมื่อคนเข้าไปพอใจอารมณ์นั้นในลักษณะสั่งสมบ่อยๆเนืองๆเข้าจึงเป็นการสั่งสมกิเลสนั่นเองทีนี้เมื่อมีการสั่งสมกิเลสนามรูปก็อย่างลงคําว่านามรูปอย่างลงสําหรับในสูตรที่ชื่อว่านามรูปสูตรเนี่ยหมายถึง ปฏิสนธินามรูปอันหนึ่งและนามรูปหลังจากปฏิสนธิอีกอันหนึ่งนามรูปในขณะปฏิสนธินั้นเกิดขึ้นจากกิเลสคือความพอใจเหนื่งเนืงด้วยและ ในอีกส่วนหนึ่งก็กล่าวว่าความพอใจเนืองเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณอย่างลงเอาความว่าจุดประสงค์ของพระสูตรเนี่ยผมพูดลัดเข้าสู่ประเด็นที่เป็นความมุ่งหมายของพระสูตรนะฮะานามรูปหลังปฏิสนธิที่เรียกว่าประวัตินามรูปหรือประวัติวิญญาณเนี่ยเป็นอีกกรณีของพปฏิจจะซึ่งพระสูตรนี้ไม่ได้หมายถึงเอาไว้อา่อา กล่าวถึงประสูตรที่หมายถึงก็จะได้ว่าให้ฟังผมกำลังจะกล่าวถึงปฏิสนธิการหรือปฏิสนธิจิตในขณะปฏิสนธิจิตอย่างลงนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างดาวก็ตอบว่าประกอบด้วยปฏิสนธิกรร ม, มชรูป อย่างหนึ่งปฏิสนธิกรรมเฉลูปคือรูปที่เกิดขึ้นจากกรรมทําให้ปฏิสนธิรูปนั้นเกิดขึ้นตามกรรมที่เป็นชนกกรรมนําเกิดและพร้อมกันนั้นปฏิสนธิจิตก็เกิดขึ้นด้วยอํานาจของกรรมชักนํามาให้อย่างลงพร้อมกับปฏิสนธิกรรมชรูป ปฏิสนธิจิตเองไม่ใช่มีแต่จิตอย่างเดียวมีทำสอง อ, งอย่างอยู่ในปฏิสมติขณะคือตัวจิตอันหนึ่งที่เรียกว่าวิญญาณเป็นอย่างเดียวกันกับคำว่าจิตและอีกอย่างหนึ่งคือเจตสิกที่ประกอบซึ่งในที่นี้เรียกว่านามตรงนี้ เป็นภาพสมมติในขณะปฏิสนธิจิตปรากฏหรือในขณะปฏิสนธิการได้แก่เวลาเกิดขณะจิตแรกเนี่ยครับปฏิสนธิจิตนั้นตัวจิตเรียกว่าวิญญาณตัวเจตสิกเรียกว่านามแล้วก็กล่าวย้ำความต่างระหว่างจิตกับเจตสิกในขณะปฏิสนธิ นิดหนึ่งว่าความเป็นจิตอยู่ตรงไหนก็ตอบว่าอยู่ตรงลักษณะคือความรับรู้อารมณ์ซึ่งหมายถึงอารมณ์ที่จิตก่อนตายป้อนมาให้จิตก่อนตายก็คือมรณาสันวิถีจิตเมื่อชาติแล้วนี่นะครับ ไอ้ตอนที่เราจะตายเนี่ยมันจะมีอารมณ์อะไรต่างๆมาปรากฏแล้วก็กรรมก็ผสมกันเข้ามาอารมณ์นั้นก็เกิดขึ้นจากกรรมที่เราได้ทําอะไรอะไรไว้ก็มาสมกันตอนนั้นกรรมจะให้ผลต้องมีอารมณ์เป็นเครื่องมือเป็นที่แสดงออกทีนี้เมื่อมันสั่งสมกําลังกรรมกับอารมณ์คลุกบ่มกระทั่งได้ที่แล้วเนี่ย เราก็ขาดใจตา ย, ตายจิตจิตปรากฏในชาติที่แล้วปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นใหม่ในชาติใหม่ด้วยอำนาจแรงผลักส่งของกรรมชาติก่อนโดยใช้อารมณ์เนี่ยเป็นเครื่องมือเพราะนั้นอารมณ์เนื่องมาจากชาติก่อนปฏิสนธิจิตถูกสร้างขึ้นมาใหม่ใหม่หมายเขาว่าปฏิสนธิจิตเนี่ยมันไม่ได้ก่อรูป ก, ก่อร่าง ในอมรณาตันวิถีนะฮะไอจิตในมรณาสันวิถีมันก็ดับไปตอนนั้นปฏิสนธิจิตไม่ได้มีอะไรปรากฏในขณะนั้นเลยแต่อารมณ์เนี่ยเริ่มก่อเขาเวลาขาดใจตายปุ๊บปฏิสนธิจิตถูกกรรมบันดาลให้เกิดขึ้นแล้วก็ป้อนอารมณ์จากชาติก่อนเนี่ยมาให้แกปฏิสนธิ ปฏิสนธินั้นก็จับอารมณ์นั้นไว้เป็นที่หน่วงเหนียวเป็นที่อารมณ์เหมือนเป็นที่บอกสภาพจิตด้วยว่าปฏิสนธิจิตเป็นอย่างนี้เพราะมีอารมณ์เป็นอย่างนี้อารมณ์เป็นอย่างนี้เพราะกรรมเป็นอย่างนี้เพราะกรรมเป็นอย่างนี้ปฏิสนธิเป็นเป็นอย่างนี้นเพราะฉะนั้นตัววิญญาณด้วยตัวปฏิสนธิจิตนี้จับ อารมณ์ที่เนื่องมาแต่ชาติก่อนส่วนนามหรือเจตสิกนั้นเป็นตัวประแสดงคุณสมบัติสแสดงคุณสมบัติของปฏิสนธิจิตในรายละเอียดว่าปฏิสนธิจิตที่มีอารมณ์อย่างนี้มีคุณสมบัติในทางปัญญาเรียกว่าปัญญาเจตสิกเป็นนามมีคุณสมบัติทางศรัทธา เรียกว่าศรัทธาเจตสิกเป็นนามเจตสิกฝ่ายดีต่างๆเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ทั้งหมดเหล่านี้ชื่อว่าเป็นพืชพันธุ์ที่เราได้ตั้งแต่เกิดและเมื่อปฏิสนธินิพพานขณนะไปพืชพันธุ์ที่เราได้ตั้งแต่เกิดที่กรรมชักนำมาเนี่ยก็จะเป็นคุณสมบัติที่เราจะใช้เป็นที่พัฒนา ซึ่งศักยภาพคุณสมบัติอื่นๆให้ปรากฏเกิดขึ้นได้ต่อไปเหมือนอย่างที่เราพูดว่าคนเราเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้ตามลักษณะของปุเพกตาคุณยาตาคือกรรมที่ได้ทำไปก่อนกรรมที่ได้ทำไปก่อนเขาก็มาฝากฝังศักยภาพไว้ตั้งแต่ปฏิจนที่เราก็ไปอบรมทำโน่นทำนี่จเจริญพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ ามกรอบของเจตสิกธรรมที่อยู่ในนี้ซึ่งไอ้สภาวะอย่างนี้ก็ปรากฏในขณะที่เรานอนหลับเป็นพลังเงียบนะเป็นพลังเงียบเป็นบา ร, รมีที่ซ่อนเล่นอยู่ในสันดานของเราอย่างเงียบกลิบพอมีกัลยาณมิตรมีธรรมมีอะไรต่างๆมาให้มันแสดงออก ก็สามารถที่จะอบรมพัฒนาเรียนรู้แสดงออกได้ตามสิ่งที่สะสมอยู่นี้คือเจตสิกดันั้นตรงนี้ต้องเรียกว่าเป็นวิบากเกิดจากกรรมเก่านะันี่ผมจะอธิบายพื้นฐานตรงนี้และจะโยงกับเข้ามาหาข้อความในพระสูตรในละ ว, วทันปูตรงไหนตอนนี้ปฏิสนธิกรรมชรูปเนี่ยที่เกิดขึ้นพร้อมกับปฏิสนธิจิตเรียกว่าปฏิสนธิกรรมชรูป ที่เรียกว่าปฏิสนธิกรรมชรูปเพราะว่าเกิดจากกรรมปฏิสนธิจิตและนามรูปที่เรียกว่านามรูปอย่างลงวิญญาณอย่างลงเนี่ยหมายถึงปฏิสนธิจิตและปฏิสนธิรูปนามหมายถึงเจตสิกรูปหมายถึงกรรมมชรูปที่อย่างลงนี่พูดถึงการปฏิสนธิอย่างของเรา ธรรมดาอย่างนี้นะฮะที่เป็นมนุษย์เนี่ยแล้วก็เป็นพวกเทวดาโอปปติกกําเนมอก็อย่างนี้ต่างกันแต่ว่าถ้าเป็นมนุษย์หรือเทวดาเนี่ยปฏิสนธิเป็นอย่างไรก็ครบถ้วนอย่างนั้นไม่ต่างกันในแง่ของคุณภาพของปฏิสนธิแต่ต่างกันที่กรรมมชรูปถ้าเป็นเทวดานั้นกรร ม, มชรูปสมบูรณ์ทันทีของเรานั้นไม่สมบูรณ์ทันที ต้องอาศัยการเจริญเติบโตตามกติของสัตว์กายยาบนี่คือความต่างระหว่างเรากับเทวดาก็พูดง่ายๆว่าถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยศักยภาพที่ติดมาในปฏิสนธินั้นรอต้องรอเวลาอาศัยระยะของความเจริญเติบโตของร่างกายเนี่ยเป็นเงื่อนไขด้วย ถ้าร่างกายยังไม่เจริญเติบโตนั้นสักยญาตตัวนี้ออกไม่ได้แต่ถ้าเป็นเทวดาแล้วไม่ต้องรอการเจริญเติบโตของร่างกายศักยภาพทางจิตนั้นออกได้ทันทีเพราะว่าชีวิตของเรานั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยทั้งเหตุปัจจัยด้านในเหตุปัจจัยด้านนอกนะครับก็จึงทําให้แตกต่างกันอย่างนี้ท่นี้ปัญหาที่จะต้องอธิบายในสูตรนี้คือว่า สองสูตรที่เราพูดไปด้วยกันตรงนี้ว่าปฏิสนธิวิญญาณกับนามรูปเป็นของเกิดขึ้นพร้อมกันและในสูตรได้พูดว่าเกิดขึ้นจากความพอใจเนืองๆพูดง่ายว่าตัณหาตรงนี้พระสูตรได้แสดง พลังที่ทำให้สัตว์มาเกิดเนี่ยแยกออกไปจากธรรมดาจากธรรมดาของปฏิจจที่แสดงโดยลำดับคือถ้าหากว่าเป็นปฏิจจที่แสดงโดยลำดับเนี่ยครับอาวิชาเป็นปัจจัยให้แก่สังขารสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูป นะทีนี้ไอ้วิญญาณกนามรูปเนี่ยความจริงเขาเกิดร่วมกันนกกันพร้อมกันมาพูดตรงนี้ถ้าใครไม่ใช่เป็นขาประจำฟังกันมาได้เอยก็ฟังแล้วไม่เข้าายกันตีหรอกนะผมจะอธิบายอีกเป็นกิจจลักษณะก็จะซ้ำบนเกินไปก็เพียงแต่พูดว่า ปฏิจจ์โดยธรรมดาเนี่ยผมย้อนกลับให้ดูโดยธรรมดาที่แสดงตามวาระแบบถอดรายละเอียดอย่างที่เราได้ยินกันมาในบางนัยยะของปฏิจจ์ก็แสดงว่าอวิชาเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปจะเห็นว่านามรูปกับวิญญาณความจริงเขาเกิดพร้อมกันแต่เวลาแสดงให้ความสาคัญในเชิงปัจจัยเชิงเหตุเชิงผลเนี่ยกลับ ไม่กล่าวโดยความเป็นอันเดียวกันว่าเป็นผลเหมือนกันเป็นเหตุเหมือนกันแต่กลับมาแยกครึ่งว่าวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปเป็นผลทั้งที่เกิดพร้อมกันแล้ว ก, ก็ได้อธิบายแล้วว่าเพราะถือเอาวิญญาณเป็นประธานถือเอาจิตเนี่ยเป็นประธานเพราะมีจิตนั่นแหละนามรูป จึงเข้ามาอาศัยออขอให้นึกถึงข้อเปรียบเทียบที่เปรียบเทียบไว้เหมือนกับผลตาลหรือผลมะพร้าวที่หล่นจากขั้วจากทลายเนี่ยลงมาที่พื้นที่เป็นพื้นเลนพื้นดินเหนียวลูกมะพร้าวเป็นเหตุให้เกิดหลุม หลุมกับลูกมะพร้าวนะ่ะพอดีพอดีกันหลุมลึกลูกมะพร้าวลงลึกหลุมครึ่งลูกมะพร้าวลงครึ่งพร้อมกันก็จริงไม่ก่อนไม่หลังกันก็จริงแต่ลูกมะพร้าวเป็นประทานของหลุมและหลุมเองก็เป็นที่สถิตของลูกมะพร้าวนี่ชั้นใดก็จากนั้นนามรูปเนี่ยเกิดขึ้นจาก วิญญาณแต่วิญญาณเองเมื่ออย่างลงแล้วก็อาศัยนามรูปเป็นของเกิดพร้อมกันก็จริงแต่ความสำคัญไม่เสมอกันนี่ถึงเขียนไว้ด้วยกันว่าเป็นเรื่องที่อย่างลงเป็นขณะเดียวกันแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยถ้าไม่ไม่ใช่คนละข น, นาดก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยกันไม่ได้ ทีนี้เมื่อย้อนขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นว่าสังขารเนี่ยครับเ ป, รรนะเป็นกรรมนะฮสังขารเป็นกรรมวิชาเป็นกิเลสเวลาพระพุทธเจ้าแสดงอย่างเอกเทศในบางที่พูดแบบเอาสองอย่างท่านก็จะพูดว่าการปฏิสนธิของเราเนี่ยนามและรูปที่ปรากฏ จิตและกายที่ปรากฏในชาติหนึ่งหนึ่งนั้นถามว่าเกิดจากปัจจัยอะไรเวลาท่านพูดแบบไม่ติดเงื่อนไขปฏิจจ์เนี่ยนะท่านก็บอกว่าเกิดจากกรรมและกิเลสจะได้ยินใช่ไหมครับเกิดจากกรรมและกิเลสถามว่ากิเลสคืออะไรกิเลสบางทีท่านก็บอกว่าอาวิชชาเพราะอวิชชากลางกั้นตัดทั้งหลายจึงเวียนว่ายใจเกิดไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดเบื้องต้นไม่ปรากฏอย่างนี้นะ บางแห่งก็บอกว่าเพราะตัณหาอย่างเช่นในประศูนย์หนึ่งที่บอกว่าตัณหาเป็นยางเหนียววิญญาณเป็นเป็นมาเลพืชอย่างในประสูตร์ที่เราเคยพูดถึงกันแล้วกันนี้ก็เลยเป็นอันว่าเวลาพูดในบางที่เนี่ยบอกว่าการเกิดของเราเนี่ยเพราะมีกรรมและกิเลสทีนี้มาพูดถึงกิเลสเนี่ยเอากรรมก่อนแล้วมันง่ายดี กรรมก็คือสิ่งที่เราทําเหมือนอย่างที่เราพูดไวตอนใกล้ตายแล้วก็เรามาเกิดอย่างไรเรไอ้กรรมเนี่ยเขาก็มีกรรมเก่าๆแล้วกรรมตอนใกล้ตายเนี่ยมันเป็นผลตกตกทอดกันมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยผสมตัวกันขึ้นและทําให้เรามาเกิดไปเกิดที่นั้นที่นีเพราะกรรมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่รู้กันอยู่แล้วหรืออย่างที่พูดกันเป็นเรื่องเป็นราวในเรื่องการลกิริยาวีตีพุทธวิธีตามใจเมื่อใกล่ตายอย่างงี้นะเทนี้อีกส่วนหนึ่งเนี่ย เขาบอกว่าเออคนเนี่ยพระอรหันต์ก็มีกรรมพระอรหันต์บางคนฆ่าตัวตายเสร็จแล้วก็ไม่ไปเกิดใหม่พระอรหันต์บางคนก็ทํากรรมมาเยอะเสร็จแล้วตายแล้วไม่ไปเกิดใหม่เพราะอะไรก็ตอบว่าเพราะไม่มีกิเลสไอ้กิเลสเนี่ยคืออะไรข้างก็พูดเป็นสองอย่างอีกครับในปฏิจจอาอาวิชาเป็นหลักแต่บางแห่งเอาตัณหาเป็นหลักบางแห่งเอาสองตัว นี่เป็นเรื่องของของการเทตนาในลักษณะหลากหลายหลากหลายมากจนทั้งบางทีเราก็แทใจยยะยากถามว่าในอวิชชาเนี่ยมีตันหาไหมในตันหามีอวิชชาไหมในอวิชามีตันหาในตันหามีอวิชชานี่เวลาแสดงบางทีท่านยกเอาอาวิชชาเป็นตัวปิดข้อเท็จจริงตันหาไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าอะไรเป็นอะไรก็อยากไปตามโง่ ถ้าท่านแสดงตัวเดียวก็เอาตัณหาว่าอยากบ้างเอาอาวิชาว่าปกปิดบ้างเป็นกิเลสทั้งคู่เป็นมูลของวัตฏะทั้งคู่มูลในทางกิเลสกรรมเนี่ยเป็นผลสืบเนื่องกับกิเลสแล้วก็ถ้าเอาสองอย่างก็อวิชาาวชาจากอวิชชาจากตัณหาจากตัวก่อภพก่อชาอาวิชชาด้วยตัณหาด้วยก่อพก่อชาเป็นเหตุทําให้เราเนี่ยต้องมาเกิด ทีนี้เอาล่ะเมื่อแ บ, แบ่งแยกระหว่างกรรมกับกิเลสนี่ผมกําลังจะพยายามวาดภาพให้เห็นเวลาท่านแสดงนี่นนะบางครั้งก็กล่าวว่าสัตว์ไปสู่ทุกขติทุกขติต้องเกิดใหม่ก็เพราะกรรมพูดกรรมตัวเดียวก็มีบางแห่งก็บอกว่าสัตว์ไปเกิดใหม่เพราะยังมีอาสวะกิเลสเมื่อทิ่น่ะอาสวะกิเลสแล้วก็ไม่ต้องเวียนว่ายแต่เกิดอเอากิเลสตัวเดียวก็มี พูดถึงสองตัวก็มีก็เลยเราก็เข้าใจได้ว่าเรื่องจะทรงแสดงแค่ไหนอย่างไรเนี่ยแต่ละที่อาจจะแสดงบางตัวอย่างนั้นอย่างนี้แตกต่างกันไปปฏิจจ์เองก็เลยมีปฏิจจ์แบบหัวไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนหัวเปลี่ยนส่วนต้น ไปตามความมุ่งหมายในทางปฏิบัติเฉพาะที่เลยมาเข้าสูตรนี้ว่าสูตรนี้นะ่ะพูดเอากิเลสเป็นปัจจัยและกิเลสที่ท่านยกขึ้นเป็นหลักจึงว่าความที่เราต้องมาเกิดเนี่ยเพราะตันหาและตันหาที่ทําให้เรามาเกิดเนี่ย มันเกิดจากการสะสมเหมือนกันสะสมในอารมณ์เนี่ยนะฮะตัณหาจะเกิดต้องมีอารมณ์เป็นที่อาศัยเกิดพอเรามีตัณหาคือความอยากความติดความยึดในอารมณ์ที่เป็นอาหารของตัณหาที่ท่านแท้กเอาว่าเป็นที่ตั้งของโยตเนี่ยสะสมไปแล้ว เราจึงมาเกิดตามความอยากของเรานี่เรียกว่าแสดงในกระแสะของกิเลสพลังของกิเลสคลายเรื่องของของอริยสัจสี่ส ม, มูทยัยแสดงในเชิงพลังกิเลสอันเดียวนะไม่ได้แสดงในเชิงพลังกรรมแต่บางแห่งเนี่ยแสดงทั้งสองอย่างว่าส ม, มูทยัยกุศลก็เป็นส ม, มูทยัยกุศ ล, ลกรรม อากุศลก็เป็นสมูทไทยตัณหาก็เป็นสมูทไทยแสดงทั้งสองอย่างแต่อริยสัจที่เรารู้แสดงพลังกิเลสอย่างเดียวแล้วไม่เอาเอาวิชาเอาตัณหาเป็นตัวหลักนี่ในสูตรนี้น่ะแสดงตัณหาเป็นตัวหลักและไม่ใช่พูดตัณหาว่าตัณหาสักแต่ว่าตัณหาเป็นสมูทไทยตัณหาไป็นจะไหนสมูทไทยเป็นไหนสมูทไทยคือตัณหา แต่ในนี้กล่าวว่าตัณหาเองเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการสั่งสมสร้างความพอใจเหนิงในอารมณ์ซึ่งเป็นที่ตั้งของกออิเลส น, น, นะฮะเป็นอาหารของตัณหานั่นแหละทีนี้ ถ, ถ้าเราจะถามว่าอารมณ์นั่นคืออะไรที่พูดแล้วแต่ว่าจะต้องย้ำอีกทีหนึ่งเนี่ย อะไรที่ชื่อว่าเป็นธรรมเป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์ที่เรียกว่าอารมณ์เนี่ยคืออารมณ์อะไรท่านก็บอกว่าอารมณ์เหล่านั้นไม่ใช่อื่นไกลเลยมันก็ป้วนเปลี่ยนอยู่ที่น้ํารูปแล้วครับเราก็พอใจในตาพอใจในรูปพอใจในจักรสุวิ ญ, ญญาณที่เห็นรูปพอใจในความพอใจเหล่านี้ล้วนแล้วจะเป็นอารมณ์ของกิเลสเราสั่งสมกิเลสด้วย ทำความรู้สึกเข้าไปเปิดรับความยินดีในอารมณ์เหล่านี้เมื่อเราพอใจที่จะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือพอใจในนามรูปเราก็ต้องมามีนามลูกเกิดขึ้นแล้วแล้วเราๆทีนี้พระสูตรนี้ท่านเกิดมาแบ่งนะแบ่งวิญญาณกับแบ่งนามลูปออกเป็นคนละสิ่งกันจริงมันอันเดียวกันพูดไปได้กันได้เนี่ย ว่านามรูปอย่างลงก็เพราะกิเลสวิญญาณอย่างลงก็เพราะกิเลสนะเอาสรุปความง่ายๆอยว่าปฏิสนธิขณะของวิญญาณและนามรูปเพราะกิเลสคือความยินดีที่เราสั่งสมไว้ ที่พยายามจะพูดมาทาอมสังสมหนึ่งๆเนี่ยเพื่อจะพูดไปถึงไอ้วิธีการละเนี่ยในในส่วนนี้พูดในส่วนของวิธีการให้กำเนิดสังสารวัตรที่เราเป็นผู้ให้เองเนี่ยมันก็คือสังสมแล้วสังสมอีกสังสมแล้วสังสมอีกกิเลสไม่จืดเลยคอยชาร์จแบตเตอรี่ตลอดเวลาแล้วก็ไอ้ที่เราพอใจอะไรมันก็ได้อะนะอยู่แล้วเล่าๆ นี่บางอย่างเนี่ยก็เราก็พอใจรูปมันก็กระทบมาถึงตาพอใจตากระทบไปถึงรูปพอใจรูปพอใจตากระทบมาถึงวิญญาณที่เห็นพอใจวิญญาณพอใจรูปพอใจตามันก็กระทบมาถึงความพอความที่เรามีความพอใจก็พอใจในความพอใจพอใจในเวทนาที่เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านั้นเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าที่ต้องเป็นผู้ชายเพราะอะไรเป็นผู้หญิงเพราะอะไรนั่นแหละ ว่าที่เป็นผู้ชายก็พอใจในภาวะของความเป็นจายในอาการของความเป็นจายในเครื่องแต่งกายของความเป็นชายแล้วก็พอใจในเพศตรงข้ามกับชายเป็นผู้หญิงก็เพราะว่าพอใจในภาวะของความเป็นหญิงอาการของหญิงเครื่องแต่งกายของหญิงแล้วก็เพศที่ตรงกันข้ามกับความเป็นหญิงก็เลยต้องมาเกิดเป็นหญิงเกิดเป็นชายตามความพอใจอย่างนี้เป็นประทานนี่ก็เรียกว่าอธิบายในทางกิเลสเหตุผลในทางกิเลส แต่เหตุผลในทางกรรมก็มีเหตุผลในทางกรรมที่ไปทําอะไรไว้ทำให้เป็นชายเป็นหญิงไปได้ไปเหตุผลในทางกรรมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งออนนี้ก็ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อแสดงในสายเกิดว่าไอ้การเกิดใหม่เนี่ยมันก็เกิดการจากสะสมกิเลสสะสมกิเลสแน่นอนอกิเลสสะสมแล้วมันไปเกิดพลังทางกรรมหรือเกิดกรรมไปกับกิเลสนั้นด้วยก็มีที่ท่านไม่ได้เน้นตรงนั้น ไม่ได้เน้นในทางพลังกรรมเนี่ยนะฮะเน้นในทางกิเลสอการเจรละการเจรละอันนี้คือการพูดถึงกิเลสเนี่ยอมันมีผลในทางอทางที่จะพูดถึงในทางละว่าเวลาที่เราไปทำวิปัสสนาถามว่าไปทําละอะไรเราบอกก็ทําทละกิเลสทาควบคุมอะไรบอกควบคุมกิเลสเราไม่ได้บอกวควบคุมกรรมละกรรมแต่ว่ามันก็นั่นแหละเนื่องด้วยถูกไหมฮะ พ่เรารักษาศีลเอาเป็นบุญศีลไม่ให้ทําบาสด้วยละกิเลสด้วยถูกไหมมันไปเดียกันแต่เวลาท่านพูดท่านก็บอกกักคุมกัดกลากิเลสแล้วบงทีก็พูดจเจริญกุศลมันทีก็พูดว่าละอกุศลมันเกือบจะเป็นอันเดียวกันเพียงแต่ว่าตั้งอะไรเป็นประธานเน้นท่านนี้ว่าในทางละเนี่ยนี่ก็พูดแล้วก็ซ้ําเดิมอีกนะว่าเราจะละเนี่ย ก็ต้องเอาความรู้สึกอีกด้านหนึ่งเข้ามาคิดอีกด้านหนึ่งอย่างที่ว่ามาแล้วว่าเมื่อเราพอใจตาแล้วเป็นเหตุให้เราต้องมามีตาให้ต้องมาเกิดใหม่สั่งสมการเกิดใหม่ด้วยการพอใจตาพอใจลูกสั่งสมการเกิดใหม่ด้วยการพอใจหูพอใจเสียงพอใจทั้งตัว ไปเป็นจังหวะจังหวะเป็นคราวๆเนี่ยครับมันไม่ใช่พอใจรูปทีเดียวในเวลามันสังสมเนี่ยนะเมื่อตาเห็นก็พอใจเมื่อหูได้ฟังก็พอใจสังสมในลักษณะทุกวี่ทุกวันอย่างนี้นี่คือธรรมดาของสายสังสรวัตรแต่พอมาการสร้างวิวัตต์การถอนสังสรวัตเปลี่ยนใหม่เมื่อตาเห็นรูปอย่าให้เกิดความพอใจ เมื่อหูได้ยินเสียงอย่าให้เกิดความพอใจได้ตัณหาไม่ให้เกิดความพอใจด้วยอย่างไรก็ด้วยเอาสติเข้ามากำหนดด้วยํำนึกว่านี่เป็นทุก์นี้เป็นของไม่ดีเราจะไม่ปล่อยให้ความคิดตามอำเภอใจอย่างที่สั่งสมโดยปกติมันคิดแล้วมันก็ไม่เห็นประสบสุขสักทีก็วิ่งลนลานก็อยู่อย่างนั้นแหละเดี๋ยวก็เวียนไปพบนั้นเวียนมาพบนี้ ซ้ำไปซ้ำมาวนไปวนมาเราสั่งสมมาเท่าไหร่แล้วบรรลุความประสงค์สุดสูงสุดหน้าพึงปราถนาบ้างหรืออย่างความพอใจของเราเนี่ยไม่เลยจึงเป็นเรื่องของการอาการเหมือนจะมดติดจันตอนเราเห็นโทษเขาก็เกิดการละแล้วก็การเกิดการละยางถึงที่สุดเนี่ยทำให้ปริสนธิไม่มีต่อไปคือเป็นร้าารดาน อันนั่นคือตัณหาเนี่ยถูกการถอนอย่างแท้จริงแต่ถ้าหากว่าละอย่างในชั้นต่ำๆเนี่ยครับก็ทำให้ปฏิสนธินั้นถูกจากัดจากัดการเกิดเช่นว่าคนทำอย่างนี้โอกาสไปสู่อบรรยภูมิปฏิสนธิที่เป็นทุกขติปฏิสนธิทุกขติวิญญาณปฏิสนธิทุกขตินามรูปปฏิสนธิมีได้น้อยลงหรือไม่มีนะ แล้วก็ถ้าเป็นโสดาบันก็เป็นอันว่าเด็ดขาดปฏิสนธิจิตปฏิสนธินามรูปไม่เป็นทุกขติปฏิสนธิอีกต่อไปที่เราจำกัดภูมิแล้วก็จำกัดการด้วยไม่ต้อง เ, อเกิดยังไม่มีจุดจบและถ้าเป็นพระอนาคามีก็จำกัดเข้าไปอีกเป็นพระอาหารหันต์ก็เป็นอันว่าจบกันเท่านั้น ถึงพิสูจน์แห่ทุกเพียงเท่านี้เนี่ยก็จะเห็นว่าจัดเปลี่ยนที่ไอ้เนืองเนืองสองอย่างเนี่ยเอาเมืองแบบไหนเนืองแบบแบบสะสมด้วยทัศนคติอย่างหนึ่งเมืองแบบเพิกถอนด้วยทัศนคติอีกอย่างหนึ่งทีนี้เรามานึกดูว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนี่มาพูดชวนคิดในเชิงปฏิบัติจริงๆว่าไอเราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ ด้วยการเห็นโทษ ห, หนึ่งในธรรมมันเป็นที่ตั้งของสังโยชน์เป็นไปได้ไหมครับ mm hmm. เดี๋ยวไปกินอาหารกลางวันนะเป็นไปได้ไหมที่จะไม่กินแบบสะสมความพอใจเป็นไปได้ไหมที่เราจะใช้ชีวิตทั้งวันอย่างธรรมดาเนี่ยอย่างเราคลองเรือนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมฮะที่จะมีชีวิตอยู่ทุกย่างก้าวทุกลมหายใจในลักษณะที่ควบคุม ถอนความยินดีพอใจในอารมณ์เป็นที่ตั้งของสังโยชน์ถ้าเราทําอย่างนี้ได้เดืองๆเนี่ยนะผมว่าตาหูลาตาเกิดไปเนี่ยถ้ามันได้ง่ายๆอย่างนี้นะสิบชาติแค่นั้นแหละครับผมว่ารู้ผลเลยชาติเดียวนี่ก็ไปลิฟต์แล้วสิบชาติไม่รู้ผลเลยไม่ได้ทําำไมถึงไม่ได้ละ่ะไม่เต็มไม่ชอบนิบานเนี่ย อแน่เราตอบเหตุผลแล้วก็บอกว่าชอบแต่ตอบตามสภาพธรรมบอกใช่ไม่ชอบอยังชอบวัตตะอยู่เนี่ยตามสภาพธรรมมันเป็นอย่างนี้ก็เลยทำให้เราเนี่ยเรามองถึงอาตราส่วนว่าเราเกิดมาอายุเจ็ดสิบห้าปีถ้าถึงเดี๋ยวนี้นะฮะถึงท่านแชเป็นคนปฏิบัติตามตอะไรเดือนละปีละกี่ครั้งกี่เดือนก็ตาม แต่เมื่อคิดเป็นส่วนเป็นวันเป็นเดือนเป็นเจ้าโมงออกมาแล้วเอาคิดว่าเอาเป็นวันที่เราไปปฏิบัติกับไม่ปฏิบัติเนี่ยอัตราส่วนสัดส่วนมันต่างกันมากถูกไม่ถูกต่างกันเยอะเหลือเกินแม้ขนาที่เราไปปฏิบัติแล้วคิดเป็นส่วนออกมาอีกว่าเจ็ดวันสิบวันที่เราไปปฏิบัติไอ้หักส่วนที่เป็นกิเลสออกไป หักส่วนที่เป็นกุศลออกไปเอามาเทียบส่วนกันเนี่ยวันหนึ่งเป็นกากระเยอะเป็นหัวกะทิเป็นกะทินิดเดียวตอนนั้นเองแลวอย่างเราเนึ่ขอโทษนะมีหน้าจะไปเอานิพพานที่ไหนได้โอ้โหมันมันมันไม่ไหวเลยเพราะฉะนั้นการบวชเนี่ยคะ่ะการบวชหรือการปลีกไปสู่ที่หลีกเล่น พูดขอความเมตใจเพราะว่าปลายเดือนปลายปีนี้ไปสองเดือนรวดการบวชนี่จึงเป็นการจำกัดกรอบของอารมณ์ด้วยหลักศีลทำให้โอกาสที่เราจะเจริญความเนืองเือ ง, องด้วยการเห็นโทษให้มันมีความเป็นไปได้สูงเนี่ยดีขึ้นแน่นอนถ้าสมมติว่า ผู้บวชนั้นใช้การบวชเพื่อวัตถุประสงค์อันนี้อย่างจริงใจนะเรื่องิดว่าการบวชเรามันนึกขึ้ว่าอย่างเราไม่ได้บวชชีวิตต้องคลองเรือนต้องอะไรตออะไรมันมันไม่ใช่โอกาสไม่ใช่จังหวะที่จะทําได้อย่างเต็มที่เลยนะอแกว่าวันหนึ่งทาได้ชั่วโมงก็ต้องยกนิ้วให้แล้วว่าเก่งมากก็โดยมากในชั่วโมงยังไม่เคยได้วันนี้ยี่ชั่วโมงขอชั่วโมงขอไม่ได้ ให้ตัวเองไม่ได้เจวามงนะบางคนก็ได้มากกว่าเชวามงเจวามงหนึ่งให้ไม่ได้นะึก ด, ดูสิแล้วจะไปเอาอะไรอ่าทีนี้มันมีอโอกาสหนึง่งเราเถ้าพูดไม่ได้บวกก็คือการหลีกเล่นเนี่ยฮะการหลีกเล่นไปสู่ที่ปฏิบัติอันนี้จะช่วยได้เหมือนกับเหมือนกับบวชเหมือนกันโดยหลักๆของการหลีกเล่นจาก สิ่งที่เรียกว่าเป็นอารมณ์ของสังโยชน์คือไอ้ความจริงเนี่ยตาเราก็ติดเราไปที่ปฏิบัติใช่ไหมแต่ว่าไอ้การพอใจตาในบางทีไอ้กลางนอกมันยั่วเช่นว่าเราต้องเราเห็นรูปเนี่ยมันทำให้เรากลับมาพอใจตาถูกไหเราเห็นคนที่รักเนี่ยเราก็กลับมารักตัวเองไม่เห็นความสำคัญของตัวเอง ลองคิดดูแล้วกันถ้าสมมติว่าไ ม, ไม่ได้ดูทีวีไม่ได้อ่านหนังสือเราจะไปคลาหาแว่นนะใช่ไหมละ่ะผมเปิดทีวีแกลกรียควานหาแว่ น, นไอ้นี่ก็คลายๆกันถ้าเราห่างสิ่งเหล่านี้เนียเราก็ลืมเวลาไปปฏิบัติธรรมเนี่ยถอดแว่นผมก็ถอดแว่นแต่ก็รู้สึกว่าเบาสบายดีไม่ต้องไปกังวลอะไร แั้ถ้าทำตรงนี้ไม่ได้ก็อยากแต่ว่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะทอ้อเราถ้าเรารู้วิธีทุ่นแรงช่วยได้เยอะมกันเราก็ใช้วิธีเรียนร้านเอาเนี่ยทุนแรง อ, อะไรรู้ไหมครับที่เป็นเกรืองทุนแรงคือการทำบุญทำกุศลด้านอื่นเนี่ยให้อำนวยทางสะดวกให้อำนวยคุณสมบัติของชีวิตเรา ที่เราทําบุญและอธิษฐานขอให้มีปัญญามีอะไรตะไลนี่นะอันนี้เป็นทางสะดวกทําให้เราเนี่ยแม้ว่าเอในตอนนี้ในชาตินี้เราจะไม่สามารถที่จะใช้โอกาสส่วนใหญ่ได้ในทางอย่างนั้นแต่บุญที่เราทําและอธิษฐานไว้ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกก็เลยบอกพวกเราเสมอว่า เวลานี้ท่านทําอะไรอยู่บวชไม่ได้ก็อย่าอึดอัดอย่าเสียใจอย่าไปอิจฉาคนที่เขาบวชได้เขาเขาทําอย่างงูอย่างนี้ได้นะฮะเราก็ใช้วิธีสร้างเครื่องทุนแหลง่งสร้างสำนักได้สร้างนะให้คนอื่นมาทําเราเอาบุญตอกต่อให้ก่อนเนะี่ยยิ่งเข้ามาทําได้ดีเรายิ่งได้เปอร์เซ็นต์เยอะได้ส่วนแบ่งนะเหมือนอย่างที่ผ ม, ผมพยายามพูดให้กําลังใจแต่ไม่ใช่หลอกเขาหรอ อี่ยงพวกพวกอะไรที่เขาสร้างอำนักพวกคุณนายกสมาคมโยคุณอะไรนี่แหมเ้าก็บน่นกันว่าอย่าง ง, าางี้ผมบอกเขาไม่ละตั้งไปเถอะนั่นแหละมันจะเป็นเครื่องทุนแรงและตอบกลับมาหาเราหลายคนที่ทํางานก็ได้เงินมาก็มาทําอย่างนี้แล้วก็ย้อนกลับมาใครก็ทําได้เราสนับสนุนเนี่ยเราได้ส่วนแบ่งทีนี้อใครเขาทำเก็ทําเขาคนเดียวใช่ไหมเรามันเลี้ยงหลายคนสนับสนุนหลายคนแล้วก็ได้ส่วนแบ่งเยอะ ยิ่งเป็นอรหรันเราก็โหส่วนแบ่งก็แมมค่าเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเยอะหน่อยถ้าเราตั้งใจดีๆนะเอาดีๆนะโอ้ได้เพียบเลยเหลือนอนกินเลยถึงเวลาเรามั่งแล้วก็โลดเลยแล้วก็เวลาพระอรหรันต์สไหมก่อนท่านแยโรหรือแม้แต่คนรุ่นเรานี่กนะนี่เราดูเนี่ยอย่างที่ว่าดูพื้นฐานดูพลังส่วนนี้ เราจะทำให้เขาได้อะไรแต่ไรเนี่ยถ้าคนมีพลังอันพวกนี้นะมีโอกาสช่วยฉุดช่วยดึงได้ดีกว่าพวกที่ไม่มีพลังด้านนี้เพราะนั้นคนพวกนี้ก็เป็นพวกที่เรียกว่าพอออกมาจากวังก็เข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยนะถอดอุณหิตก็ปลงผมเป็นอหรหันต์ไปเลยประเภทมีเครื่องทุนแหล่ เ่าในบ้านท่านมีลูกก็ปฏิบัติส่งเสริมสามีปฏิบัติส่งเสริมภรรยาปฏิบัติส่งเสริมแล้วเราเอาเอาค่าในหน้าถึงเวลาเราบาังที่พรวดไปเลยผมก็เนี่ยผมก็เอาทั้งค่าในหน้าทั้งทั้งอะไรเอาเองหมดหก็รู้สึกว่าดีเหมือนกันสังสมได้เยอะก็ฝาก เครื่องต้นแรงอันดีไว้ถ้าท่านยังทําอะไรดีอย่างผูอื่นก็ไม่ได้แม้ว่าท่านทําดีท่านก็ต้องทําอย่างอื่นไปด้วยครับต้องเอาเองต้องทําให้ผูอื่นก็ได้แล้วเราก็จะได้ด้วยก็ะจะมีโอกาสเจริญในธรรมได้โดยงา่ายว่ากระสูดสองสูตรเนี่ยนะครับเราอธิบายเฉพาะตรงจุดนี้โดยไม่ต้องอ่านส่วนที่เหลืออีกแล้วสําหรับคราวหน้านี่จะเป็นสูตรยาว ชื่อวันิธานสูตรคือวันิธานสูตรจะปีสูตรเดียวเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทที่พุทธเจ้าทรงจัดว่าเป็นของลึกและพระนอานุ์มาก็ทูลว่าปฏิจจปรากฏแก่ข้าพระพุทธเจ้าเหมือนเป็นของตื้นพอสมควรแก่เวลาท่านผู้ใดที่ได้ทำบุญสร้างโบสถ์วัดจากแดงไว้กิจกรรมบาปผนังเนี่ยนะฮะ บริจาบไปแล้วก็จะมีใบอนุโมทนาเอามาฝากไว้ที่นี่ก็กรุณารับไปด้วยครับจะได้เป็นจ า, ารคานุสติของท่านแล้วก็ในในช่วงนี้เป็นยุคเป็นช่วงของการละทานจนกระทั่งบางท่านอาจจะนึกว่าเป็นภาระเป็นอะไรก็อย่าให้นึกเป็นได้อย่างไง ให้นึกว่าเป็นการลทานให้เราก็พยายามทําดี๋ยวนะทํามากทําน้อยใครเขามีมีทรงมีซองอะไรมาก็พยายามทำแล้วก็เหมือนกัะที่บันโพลุก็ได้ทําได้สร้างอะไรแต่ละแล้วก็ตกมาถึงเราเนี่ยตั้งใจให้ดีก็เป็นบุญเป็นกุศลบ้านเราเมืองเราเป็นเมืองพุทธมีการลทานเยอะก็อย่าท้ออย่ากลัวตั้งเจตนาให้ดีแล้วก็จะได้ประโยชน์มาก กับสิ่งเหล่านี้อย่าลืมเมื่อท่านถ้าไปเกิดเป็นเทวดาแล้วหมดโอกาสนะผมไม่เอาตองไปแจกไปโน่นหอใครก็แม่ตามมาจองไปแจกบปน่นหรอก็ตอนนี้เป็นโอกาสตั้งเจตนาดีแล้วทําและอย่า ก, กลัวครับแล้วรับรองว่าถ้าท่านมั่นคงในสิ่งเหล่านี้ท่านไม่ยากไม่จนเนี่ยก็อย่าปลาดลบโอ้ทอดอะไรกันนักหนามันมากมายหน้าเบือ่อนายเหลือเปลือนะมันเหลือเปลือกเป็นวิบากแล้วลนะ่ะที่เราต้องอยู่เย็นเป็นสุขกันอย่างเนี้ย บรรพบุรุษเราก็ได้ทำอย่างนี้มานานเราถึงมีวัดใช้มีอะไรแต่ไรใจกันอยู่ทุกวันนี้ก็ เ, เป็นประโยชน์ร่วมกันเป็นบุญมิกรสนนะให้ทำและให้ใช้พลังเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดตอนท้ายนี้ขอเชิญท่านทั้งหลายตั้งจิต